หนึ่งร้อยสองเจ้าชายสิทธัตถะอาศัยระลึกอดีตมารู้ธรรมะสำคัญความข้อนี้ให้ดีๆว่าพระองค์บรรลุธรรมถึงขั้นสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วท่านบรรลุธรรมบริบูรณ์สมบูรณ์ความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้ว ก่อนจะมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในปางที่จะประกาศพุทธศาสนาขึ้นในยุคนั้นหาใช่เพิ่งบรรลุพลธรรมตอนนั่งเข้าสมาธิใต้ต้นโพในวันขึ้นสิมาข้ามเดือนหตามที่พูดพูดกันในพระประวัติไม้ทำความสำคัญมั่นหมายนี้ ให้ชัดเจนให้คมคมแม่นแม่นกันดีๆพระองค์ไม่ได้เกิดทิฏฐิเห็นโลกที่ตนยึดเห็นอัตตาที่ตนยึดในขณะที่อาศัยอดีตในขณะปรารพธรรมะจากอดีตนี้และไม่ได้อาศัยอนาคตไม่ได้ปรารบธรรมะจากอนาคตหรือไม่ใช่ตรึกเอาเองแล้วจึงมีทิฏฐิ แต่ท่านบรรลุทิฐิเป็นสัมมาทิฐิได้แล้วมาก่อนนี้แล้วจนกระทั่ง้นมิจฉาทิฐิหมดสิ้นแล้วต่างหากพระองค์เข้าถึงความรู้แจ้งเห็นจริงวิปัสนาญาณในความเป็นโลกและความเป็นอัตตามาแล้วอย่างมีสัมมาสัมพุทธโธครบถ้วน สัมมาสัมโพธิญาณบริบูรณ์สมบูรณ์มาแล้วจริงต่างหากพระองค์ทรงรู้แจ้งจบครบถ้วนองค์ประกอบความเป็นโลกท้วนองค์ประกอบความเป็นอัตตาทรงธรรมะที่เป็นสุดยอดแห่งอธิปไตยมาก่อนจะมาประสูดเป็นเจ้าชายสิทธัะแล้วด้วย พระองค์ทรงมีอธิปไตยสาครบสมบูรณ์แล้วทั้งความเป็นโลกพระองค์ก็มีอธิปไตยอยู่เหนือความเป็นโลกแล้วทั้งความเป็นอัตตาพระองค์ก็มีอธิปไตยอยู่เหนือความเป็นอัตตาแล้วโดยพระองค์ทรงมีธรร ม, มะเป็นอธิปไตยแท้จริงที่จะอนุเคราะห์โลก โลกานุกรรมปาและทำคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติพระหูชนะหิตายะและสร้างสุขอันประเสริฐให้แก่มวลมนุษยชาติพระหุชนะสุขขายะแต่ตอนนี้อาศัยระลึกอดีตตรวจความจริงจากอดีตแล้วปรารพธรรมะ ที่พระองค์เคยมีความจริงมาแล้วว่ามีอะไรอย่างไร